รายการธรรมสุตะขอเชิญฟังธรรม ข้อความในก็คือได้กล่าวปิฎกต่อจากครั้งที่แล้ว อาการเนคัมมะเนี่ยแก่เรื่องราวที่ได้กล่าวไปแล้วก็ความที่ นะแต่ว่ากล่าวตามลำดับแห่งเรื่อง 464 ข้อ 27 พระผู้มี ในการนั้นเราถูกจระเข้เบียดเบียนไปไม่อยู่ณโอกาสใด เราไม่ได้ทําตามคําของจระเข้ที่กล่าวหลอกลวงนั้นหาไม่กล่าวนี้กล่าวในชาดกหรือในจริยานี้เน้นซึ่ง ถามว่าสัจจะบารมีนั้นเน้นสัจจะไหนสัจจะตรงนี้เน้นวจีสัจจะเน้นคําพูดที่เป็นคํา มีแต่ความไม่เปลี่ยนแปลงแต่ความไม่เปลี่ยนแปลงพระพุทธพจน์นั้นเอ่อไม่มีใครคัดค้าน พูดความจริงเจริญบุญกุศลด้วยการพูด เป็นแต่สรู้เป็นอริยะที่ทําผู้ที่จะมีความรู้ความสามารถปุถุชนคือความจริงที่จริงแท้เหล่านี้ได้ไปให้ ที่พระองค์บำเพ็ญมาตลอดกาลนานพระพุทธเจ้านั้นผู้ประกาศความจริง พ้นทุกข์เพราะฉะนั้นจากจริยาต่อไปที่คือลิงเค้าเรียกว่าราชาแห่งหมู่ลิงขณะพระโพธิสัตว์ของเรา ทำไมเห็นอริยสัจเราจะพ้นหรือกิริยาหลายๆเรื่องมันประกาศว่ายังมีเชื้ออยู่ว่างั้นพระองค์เล่าว่าเมื่อการ ได้ยินว่าในการนั้นยินว่าในการนั้นพระโพธิสัตว์ไม่ได้ดูแลฝูงเที่ยวไปแต่ผู้เดียวๆเนี่ยนะอะไรจะเกิดขึ้นอย่าง นะปกติแม่น้ําถ้าเป็นแม่น้ําสาหยะ แผ่นหินแผ่นหนึ่งซึ่งมีอยู่ท่ามกลางเกาะและแม่น้ํากระโดดจาก ในกาลครั้งนั้นมีจระเข้ตัวหนึ่งแล้วก็พร้อมด้วยนางจระเข้อาศัยอยู่ใกล้ฝั่งแม่น้ํานั้นนางจระเข้เมียของจระเข้ แล้วก็ไปด้วยหวังว่าเราจักจับพญาลิงนั้นซึ่ง คือเป็นคนช่างสังเกตมากถ้าเกิดอะไรผิดปกติแม้นิดหน่อยก็รู้ได้เลยด้วยเหตุ แต่รู้ว่าก็เลยพูดว่าผิดปกติจึงยืนยืนอยู่อย่างนั้นทําเป็นพูดกับแผ่นหินก็เลยพูดว่าเฮ้ยเจ้าหินก็เฮ้ยเจ้าหินหินก็ไม่พูดไม่ได้อยู่แล้วๆนี้หินคง เห็นไม่ให้คําตอบเพราะเราครอบเอาไว้หินลิงก็ตอบตามจริงว่าเราเป็นจระเข้ถามว่าเจ้ามานอนในที่<อ> เราถูกจระเข้เบียดเบียนไปไม่ได้เรายืนอยู่ณโอกาสใดโดดจากฝั่ง จะไปได้ก็ใช้เทคนิคนิดหน่อยว่างั้นเราจะเปื้อนจรเข้จาก แลว่าท่านจงอ้าปากของท่านเอาไว้แล้วจับเราตอนที่ท่านเอ่อตอนที่เรามาหาท่านอ้าปากไว้เลยนะอ้าปากครอเลยนะทีจึงจรเข้ไม่รู้ตัวหรอกว่าเวลาอ้าปากแง้มตามก็ต้องปากปั๊บก็อ้าปาก พระพุทธเจ้ารู้ว่านี่เป็นความจริงของ ต้นถนนเป็นต้นเหมาะที่จริงๆแล้วเนี่ยแต่ท่านเอ่อพระโพธิสัตว์รักษาคำสัตย์เพราะ เพราะรักษาคำสัตย์นี้เราได้ พระยาวานรผู้เจริญบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม 4 อย่างใน 4 ประการนี้มีอยู่ในตัว 1 มีสัจจะ 2 มีธรรมะ 3 หนึ่งแล้วจะรอดจะต้องมีทั้ง 4 ประการข้อแรกมีวจีสัจจะก็ต้องมีคําเพราะเหตุผลหนึ่งที่จะทําให้เอาตัว ที่ 2 ธรรมะธรรมะในที่นี้เป็นชื่อของปัญญากล่าวว่าธรรมะปัญญานะธรรมะคืออะไรคือ 3 ทิติได้แก่ความเพียรที่ 3 จาคะการบริจาค ทวนอีกครั้งนึงนะต้องเป็นคนที่มีคําสัตย์คําจริง ของตนเหมือนท่านทนจากตัวเราในวันนี้ลิงว่ารู้คุณธรรมรู้ความสามารถของลิงว่าลิงเนี่ยรอตายเพราะอะไร นะจรเข้ก็ก็ต้องอดไปก็แล้วกันพระโพธิสัตว์แล้วก็ไม่ การรู้ว่าจระเข้นอนบนหินด้วยเอ้ยหินวันนะ เขาไม่ได้พูดมุสานะทั้งๆที่รู้ แล้วคนอื่นเนี่ยฟังเข้าใจเข้าใจอย่างที่ตัวเองพูดแต่นี้แล้วไปยืนอยู่ที่ฝั่ง คำสัตย์หรือสัจจวาจาต่อไปได้คือวจีสัจจะแต่ท่านยังมีตัญญามีความเพียรแล้วก็สุดท้ายคือมี อีกเรื่องหนึ่งในการเมื่อเราสามารถทํา สัจเจนะโลกังปาเลสิ๋งคือเรารักษาสัตว์โลกนั้นนั้นจากบาปและจากความพินาศหลาย เราได้ทําให้มหาชนที่ทะเลาะกันเถียงกันวิวาทกันในที่นั้นๆให้สามัคคีคือ มีวจีวาจาสัจจะสามัคคีรักษาชีวิตคนอื่นให้เอ่อวาจาทําให้คนอื่นนั้นปราศจากโทษให้คนอื่นมีความสมัครสมานสามัคคีประคองดองกันก็เป็น แต่คนฟังเช่นพูดความจริงกับอีกคนหนึ่งไปให้อีกคนหนึ่งหาย พูดไม่ถูกต้องหรือพูดด้วยเจตนาและปรองดองกันเนี่ยนะคนเนี้ยถ้าหาก ที่ไหนมันมีปัญหาก็คือขาดความถ้าแม้กระทั่งก็เดือดร้อนแม้กระทั่งพุทธบริษัทก็ จึงสิ่งที่เอามาพูดนั้นอาจจะพูดจริงบาปไม่ใช่บุญเป็นอันมากสิ่งที่เอา พระโพธิสัตว์ครั้งเจริญวัยก็ได้ไปเมืองตักศิลาเรียนศิลปะในสำนักของ ครั้งนั้นบิดามารดาประสงค์จะหาภริยาที่สมควรให้จึงมอบสมบัติทั้งหมดให้หมดแล้ว สลเลฆะสูตรเนี่ยผู้ที่จมอยู่ด้วยกันเนี่ยจะช่วยฉุดคนอื่นออกได้มั้ยสมมุติ การครอง 4 นี้ๆหรือปัจจัย 4 แต่ละอย่างนี้ได้มา 4 เพื่อบำรุง 4 เพื่อ เกี่ยวกับปัจจัยสี่เกี่ยวกับปัจจัย 4 มันไม่ใช่อย่างนั้นมันบวกหน้าตาบวกศักดิ์ศรีบวกมานะบวกยศพันพันอยู่กับปานาติบาตพันๆกลายเป็น ครองเรือนว่าในที่สุดก็นะไอ้กิเลสที่เป็นเหตุให้แสวงหาก็ยิ่งใหญ่ใน คนที่ๆอ่ะนะทีนี้ท่านก็เห็นอนิสงส์ของการ บำเพ็ญสมณธรรมบำเพ็ญไตรสิกขาบำเพ็ญอาทิศีลอาทิจิตและอาทิปัญญาเนี่ยนะเพราะ สรุปว่าเห็นโทษของการครองเรือนที่เป็นปัจจัยแก่ทุจริตกรรมทั้งหลายเห็นใช้ หรือเห็นเห็นเห็นคนละอย่างกันปกติก็เห็นแต่เห็นแต่ <ๆ S 1> เสาวะบาลีเรื่องประโยคอนาธรไม่ได้เอื้อเฟื้ออะไรเลยร้องก็ร้องไปก็ละกันก็ละกองสมบัติอันหาประมาณ ก็ได้ 8 และอภิญญา 5 ให้เกิดเพลิดเพลินกับฌานอยู่ด้วยวิหารอะ 5 มีอะไรบ้างหูทิพย์ตา อันนี้แหละเป็นเหตุให้ท่านตรวจดูสรรพสัตว์ทั้งหลายว่าปกติชีวิตของมนุษย์ โมสาวาทพูดเทศนั่นน่ะคําพูดเรียกว่าพูดไปครึ่งวันจริงอยู่นิดเดียวอย่างนั้นน่ะคําพูดก็พูดเพื่ออะไรพูดเพื่อทําลาย แย่งชิงรูปสวยๆแย่งชิงเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยโภชะภะที่ดี ไม่เป็นการสมควรแก่เรานะถ้าเห็นว่าเรานี้ปฏิบัติสัมมาสัมโพธิญาณใจจริงๆก็หวังว่า ปฏิญาณหรือปตินยาคําที่เรากล่าวเอาไว้ถ้ากะไร เพราะบางทีนี้เค้าทะเลาะ ตรงเนี้ยท่านมีปัญญามีคุณธรรมมีศีลมีสมาบัติมีคุณธรรมอย่างอื่น ทุกคนก็โดยมากก็เว้นจากอกุศลกรรมบถกันเนี่ยนะคือบางทีเนี่ยบางคนก็เข้าใจเอ๊ะงด ปกติก็มีความสุขอยู่ในอะไรอยู่ในฌานและสมาบัติ สมมุติถ้าพี่น้องทะเลาะกันแล้วจะเกิด อย่าลืมว่าถ้าคนทะเลาะกันเนี่ยนะระดมความชั่วร้ายเนี่ยขนมาหมด ไอ้บอมบ์ทีนึงน้ําหนัก 1,000 กก. เนี่ยนะบอมบ์ตู้มนึง จบลงด้วยการฆ่าการแก้ปัญหาอีกรวมๆก็คือ 10 เค้า ที่เขาคิดถึงคิดเอ่อคิดค้นความเลวร้ายเพื่อให้ผู้อื่นรับ แม้แต่ท่านมาบวชเข้ามาแล้วยังมีปัญหาเลยก็ความ มันเป็นสมบัติก็ยังบางคนเนี่ยเกิดมาในโลกเนี่ยเป็นคนที่ พระโพธิสัตว์นี้ก็แสดง โกสัลกัมมบท 10 ประการเนี่ยนะ 10 เว้นจากการค่าจากการฆ่าเห็นนะเว้นจากการลักทรัพย์เว้น ให้เขาพวกกูลบุญกุศลคุณงาม ตักเตือนเพื่อปิดประตูอบายอะไรประกาศถึงบารมีข้อไหนคำศรัทธา เอ่อโทษของการทะเลาะเบาะแว้งจริงๆการกล่าวธรรมะเนี่ยคือคําพูดคําศักดิ์ที่สุดเพื่ออย่าได้ปฏิบัติในเหตุ ได้รับโลกต่อต่อไปทั้งโลกนี้และโลกต่อๆไปสร้างอุปนิสัย นกคุ้มไม่ใช่นกคุ้มนกคุ้มอีกเรื่องหนึ่งในการเมื่อเราเป็นๆอยู่เลยขนก็ เรานี้เป็นอยู่ด้วยภัสสะของมารดากําลังกายของเราก็ยังไม่ ลูกเอาไว้นั้นชีวิตโดยธรรมดาก็อยู่ด้วยเค้าเรียกว่าความอบๆเนี่ยนะเกิดเป็นนกแล้วถ้าทําบุญไม่ดีนี่ระวังให้ดีหน้าถ้า คันว่าเป็นต้นตายเนี่ยเค้าจะเริ่มดักนกชนิดนี้แหละก็ถือว่า ประชาชนชอบมากชอบมากนี่ก็เหมือนกันพูดถึงว่าโอ้ใคร เป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดมันไม่มีอะไรที่จะเลวร้ายกว่าการ ทุกที่ท่านเกิดเป็นลิงเป็นนกเป็นเนื้อเป็นอะไรทั้งหมดให้รู้เถอะว่า โดยมากไม่เอาโดยอะไรนะหัวบอกไม่เอาแต่เชื่อไว้การปฏิบัติโดย ไฟไหม้ป่าลุกลามใหญ่หลวงเสียงสนั่นอึ้งคือนกๆไปจะเป็นป่า 10 10 มันถ้ามันแห้งแห้งๆหน่อยเนี่ยไฟเข้าเนี่ยโอ้ไม่ซะนั่นเลยชีวิต ที่สุดเนี่ยนะสุดมากนั้นนะจะรักลูกขนาดไหนก็ เรานั้นเหยียดเท้ากลางปีกออกลองเหยียดเท้าดูสิกลางปีกที่ไม่มีขนเหยียดเท้าที่ไม่ก็รู้ได้เลยว่า เมื่อก่อนเราปกตินะถ้าเกิดความกลัวขึ้นมา นะเนื่องจากว่าท่านสั่งสมบุญ ท่านเป็นนกเนี่ยนะท่านคิดถึงพระพุทธเจ้าได้แสดงว่ามากส่องเสพอัตถยาศัยในพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณศีลคุณสัจจะเป็นต้นเนี่ยมาเป็นอย่างดีถ้า แต่นี้ท่านระลึกถึงศีลคุณนึกถึงสัจจะระลึกถึงพระสัพพัญญูพุทธเจ้าเพราะ โลกเป็นต้นก็แสดงว่าคนที่สังสมพุทธานุสติเอาไว้ในใจไม่เพียงพอๆแล้วค่อยค่อยเอานี่เพราะฉะนั้นถ้าเราเอ่อฝึกฝน สมาทานไว้เลยว่าชีวิตเราจะมีปัญหาทางร่างกายและจิตใจขอถือๆตั้งใจแบบๆแบบนั้นจริงๆจะเชื่อนะไม่ เลิกศึกษาแล้วหนังสือก็อ่านไม่ได้ธรรมะก็ไม่ฟังแล้ว ตั้งตั้งไว้อย่างนั้นจริงๆนะ 99 ด้วยหรืออาจจะร้อยถ้าตั้งไว้จริงๆเถอะถ้ามีอะไรขอนึก มาสงสารกันนะว่างั้นนะเจริญกรุณาให้ตัวเองไว้เยอะๆเถอะว่าตัวเองเดือดร้อนต่อไปข้างหน้าถ้า พระรัตนตรัยเป็นไปกับศีลเป็นไปกับความสัตๆใจของเราก็จะ ได้กระทําสัจจกิริยาแสดงกําลังความสัตว่าปีกของเรามีอยู่แต่ นะเป็นไฟที่ใหญ่หลวงเว้น 16 กริตไฟอปัตนาสันติปาถาอวจนะ มหาปัจจลีโตสิขีวัจฉะสิโสละสะกะรีสานิเป็นต้นเนี่ยนะก็ๆสรุปว่าอ่ะย้อนกลับมาเนี่ย คือเรานี้เพราะความกลัวตายความหวาดสะดุ้งความสะดุ้งจิตกลัว กุญแจก็ล็อกไว้ห้องหมดแม้ออกไม่ ไฟดับก็พระพุทธเจ้าก่อนไฟดับดีใจก็พระพุทธเจ้าก่อนพระพุทธเจ้าก่อนรถยางแตก พระโพธิสัตว์มิได้หลงลืมสิ่งที่ควรทําไม่หลงลืมเลยนะ และ 1 แลนะคราวแรกคุณธรรมดาพระสัพพัญญูพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตบําเพ็ญบารมี นะพระองค์ผู้สมบูรณ์แบบนั้นด้วยคุณธรรมดังกล่าว เป็นคุณอันประเสริฐโดยส่วนเดียวยังมีอยู่นะมรรคผลนิพพานที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยนะคุณเหล่านี้จริงอันหนึ่งความสัตว์อย่างนี้แม้ในเราก็ยังเพราะเพราะท่านเป็นผู้ เราควรระลึกถึงพระพุทธเจ้าในอดีตควรระลึกถึงพระธรรม ว่าตัวเองนี่เป็นผู้ที่ดำรงอยู่ในคารองแห่งสัจจะประพฤติ ของเรานี่ให้ศึกษาผู้ทะคุณให้มันมั่นธรรมคุณสังฆคุณเนี่ยเวลา 1 กลุ่ม 2 ระลึกถึงความดีทั้งมวลที่ได้ทํามา ไม่ได้เนี่ยนะตายต่อเอ่อตายนี่ตายแน่ใช้ตกนรกอีกทั้งหลายมีสิความเอ็นดูกรุณา เราคำนึงถึงกําลังของพระธรรมระลึกถึงพระพุทธเจ้าผู้พิชิต เอ่อที่ที่สาเหตุที่ทําให้ท่านตั้งสัจจะกิริยาคือคุณความดีของพระรัตนตรัยนี้อย่างหนึ่งอย่าง ถ้ามีบุญขนาดนี้สั่งไฟได้ใช่มั้ยก็เหมือนกับกดปุ่มนี่แหละกดให้ ความที่มารดาบิดาทิ้งเราเอาไว้ในรังแล้วก็นี้ไปเลยตั้งสัจจะวาจา ก็บอกว่าประมาณ 16 กรีดและเมื่อไฟหลีกไปก็ 16 กรีด ก็สัจจกิริยาของพระโพธิสัตว์นั้นเป็นเบื้องต้นของการทํางานเอ่อของการระลึกถึงพระพุทธคุณในสมัย อันนี้ก็ถือว่าเป็นคุณธรรมที่สั่งสมมานานต้องอบรมมานานก็ถือว่าเป็นคุณธรรมที่สั่งสมมา เราเจริญพุทธคุณได้มั้ยตั้งคําถามว่าที่ไหนบ้างที่เราเจริญพุทธคุณไม่ได้ลองถามดูสิว่าเราเจริญไม่ได้ทําไมเราเจริญไม่ได้หรือเป็นต้นแล้วต่อไปจะเจริญได้มั้ยอ้างว่างานยุ่ง คำสัจจะที่น่าสนใจบอกว่าสัจเจนะเมสมโณนาธิเอสาเมสัจจะบารมีนี่ พระโพธิสัตว์เนี่ยด้วยอํานาจของศาสตร์จัก พูดถึงคุณธรรมของพระโพธิสัตว์และระลึก แล้วก็อันนี้จะช่วยแก้ปัญหาเราได้ในทุกที่ทุกหนทุกแห่งแม่กระทั่งเสียเวลาปฏิบัติโมท ที่พระองค์แสดงนั่นแหละให้เห็นความปฏิบัติดีแห่งพระ จะขอมีใจอยู่กับพระพุทธเจ้ากี่ชั่วโมงดีนะพี่ตัยมีโครง ก็ตามสมควรกายเหตุก็ใจก็ไม่ต้องอะไรแล้วนะก็สงสารตัวเองได้แต่อย่างๆมันเจริญได้นะถามตัวเองแล้วจะของสัตว์อบายโดย เนี่ยนะถ้าแสดงว่าเราๆเรื่องเนี่ยนะอย่างเรื่องเรื่องราว ไม่เหมือนบุญกุศลนะเรื่องราวใหญ่ใหญ่โตอะไรขนาดไหนก็เหมือนฝันตื่นขึ้นมาแล้วก็หายไปชีวิตที่ผ่านมาสิ่งๆเรื่องเราพยายามว่าสิ่ง ชีวิตของเราก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่จุดนี้ใช่มั้ยหยุดได้มั้ยอ่ะหยุดขอให้หนุ่มสาวอย่างนี้ตลอดไปหยุดไม่ได้เนี่ย อีกเรื่องหนึ่งในกาลเมื่อเราเป็นพญาปลาเรียกว่ามัจฉราชพระพญาปลาเนี่ยๆอ่ะเนี่ยนะ แตกระแหงนี่ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานะเรื่องแรงนกกระสานกตะกรุ่มและเหี่ยวมาคอย ถูกทุกบีบคั้นจะเพิ่งเปลื้องหมู่ญาติให้พ้นจากทุกข์ได้ด้วยอุบายอะไรน้อเนี่ยนะ เนี่ยนะกับโคลนอันนั้นน่ะเสร็จแล้วในที่สุดมันค่อยๆแห้งพวก ปลาอยู่ในน้ําน้อยนี่มันดิ้นรนรุนแรงที่สุดเลยนะมันมันสุด แต่เลือกก็คือความคิดของท่านเนี่ยถ้า เป็นอัตเป็นธรรมเป็นที่พึ่งของหมู่ญาติเราได้เราตั้งอยู่ในความสัตว์แล้วจะเปลื้องความพินาศใหญ่ กรุณานั่นแหละโดยเฉพาะกรุณาเนี่ยนะที่ยั่งยืนเที่ยงแท้ในสัตว์โลก ตั้งแต่เราระลึกถึงตนได้ตั้งแต่ตั้งแต่รู้ตัวนะตั้งแต่รู้ โพธิญาณแล้วก็แต่ว่าบัดนี้ได้ ท่านจงยังกาให้เดือดร้อนด้วยความโศกจง ยังฝนให้ตกหาใหญ่ผู้เสมอด้วยความสัตว์ให้ตกหาใหญ่ผู้เสมอด้วยความสัตย์หรือผู้เสมอด้วยสัจจะของ นะปัจจัยอะไรที่ทําให้เมฆมาหายไปโดยทั่วไปบอกธรรมดาไอ้ธรรมดานี่แปลว่าไม่รู้หรอกธรรมดาบางทีเนี่ยแปลว่าไม่รู้นั่นแหละก็มันเป็นอย่างงี้มาตั้งนานแล้วนะก็แปลว่าไม่รู้นั่นแหละ อย่างหน้าเนี่ยนะศาสตฤดูเนี่ยถ้าที่ไหนแห้งแล้งเค้าจะว่าสวด ทบทวนนะว่าลำดับนั้นพระโพธิสัตว์เห็นความพินาศความสงสารเกิดใจกรุณาเนี่ยนะกรุณาทั้งตัวทั้งหลายที่จะตายแล้วก็หลายคือญาติที่ ไม่มีผู้อื่นที่สามารถจะปลดเปลื้องญาติทั้งหลายจริงๆนะ ขอให้มีโจทย์เถอะในที่สุดก็ก็ตอบได้หมดอ่ะนะขอให้ตั้งโจทย์ว่าอย่างพระ อะไรท่านระลึกรู้เลยนะว่าทางของท่านดําเนินกันมาอย่างได้รู้ถึงเหตุนะรู้ถึงความเป็นไปของสังสารวัฏ ตัวเราก็คือตัวของปลาเนี่ยนะปีนะ ไม่มีทานตั้งแต่ 3 ปีแรกแล้วสิถึง 5 ปี 10 ปีที่ไหน 3 ปีนี้ไม่มีอะไรกิน บีบคั้นเพื่อจะเปลื้องหมู่ญาติให้พ้นจากทุกข์ คำว่าสัตธมังคือระลึก นะอย่างที่บอกว่าสัตว์ทุกเพราะฉะนั้นผู้ที่ระลึก ปรมัตถังวิจิตตยังเราคิดถึงสัจจะอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนั้นอันมีสภาพไม่วิปริตยังโลเกสัตว์แม้แต่ตัวหนึ่งของพระปัจเจกเพราะ เบียดเบียนโดยเฉพาะท่านรู้ถึงธรรมที่ไม่เบียดเบียนเป็นอารมณ์น่ะนะธรรมที่ไม่เบียดเบียนแล้วท่านจะน้อม เราได้คิดถึงการไม่เบียดเบียนสัตว์อื่น จึงคุยเปลือกตมสีดําออก ตั้งแต่เรารู้ความมาจนถึงบัดนี้เราไม่ ไปตามร้านอาหารต่างๆก็มีปลามาขังมาอะไรเป็นต้นดูโน่นดูนี่โอ้สวยจังเลยชื่นชมกันน่ะนะนั่นแหละสาเหตุให้ไป เราจากนี้ไปด้วยการแ ngน ขึ้นไปเบื้องบนในระหว่างนี้แม้เกิดๆแม้อื่นไม่ต้อง เรากล่าวถึงความไม่เบียดเบียนสัตว์ใดๆอันใดหากการไม่เบียดเบียน จงทําคุ้มทรัพย์ของปลาให้พินาศไปท่านจงยังกาให้เดือดร้อนด้วยความโศกจงปลดเปลื้อง ท่านจงยังเปือกตมนี้ให้เต็มยังฝูง คือจงปลดเครื่องฝูงปลาทั้งหมดซึ่งเป็นญาติของเราให้ ผู้เต็มไปด้วยความกรุณาเพราะอาศัยความพินาศย่อยยับของเหล่าปลา ทุกข์เนี่ยนะเห็นความทุกข์ของเขาบอกถ้า ฟรัญซาบเหตุนั้นแล้วจึงรับสั่งให้เรียก เพราะอะไรเพราะความตายของญาติทั้ง 6 เทวราชรับเทวะบัญชาแล้วนุ่งเวลาเอ่อนุ่งนุ่ง 6 ก้อน 1 ห่มก็ ยังเค้าเรียกว่าปีศาจครุกเป 20 เป็นเป็น 10 หลังน้ําใหญ่ท่วมแคว้นโกศลทั้งเส้นเมฆเนี่ยบางเป็น 10 กิโลนะ 10 กิโลเนี่ยนะหนาจริงๆเลยนะเพราะฉะนั้นฝนบึงอ่ะนะบึงใหญ่เป็นที่เพราะ อะนะไม่เฉพาะปลาอย่างเดียวเท่านั้นอะไรเพราะอดกินปลาเลยงั้น เราทําความเพียรอย่างสูงสุดอันเป็นความสัตย์อย่างประเสริฐเห็นปราณีแล้วอาศัย ฝนหายใหญ่ให้ตกทั่วแว่นแคว้นเมื่อสิ้นอายุก็ไปตาม ภยาปลาก็คือพโลกนาถนะอ่าคุนาณุภาพของพระโพธิสัตว์ที่พระองค์เกิดในกําเนิดปลาในเช่นปลาแม้เพียงตัวเล็กเท่ารำท่าน พวกเนี่ยก็กินพวกโคลนเอ่อกินอุจจาระกินอะไรไปนั่นอันนี้ แล้วก็ยังมีสัจจวาจาทําฝนให้ตกลงมาอีกด้วยเมื่อน้ํา มัจฉราชจริยาในกัณหติปายนะจริยาพระผู้มีภาคตรัสเล่าให้ท่านพระสาริบุตรฟังว่า ใครๆจะรู้ใจที่เราไม่ยินดีประพฤติทนบวชอยู่ 50 ประกอบด้วย 50 กว่าปีแต่เพื่อนนี้ได้ฌาน พรามอีกเพื่อนอีกคนหนึ่งเป็นสหายของเรานะอีกเพื่อนอีกคนนึงอ่ะนะเพื่อนที่ยังไม่ ควานไปถูกเอาศีรษะงูเข้าพอมือไปถูกศีรษะของมันงู จับเขียดก็ก็วิ่งจับไปเรื่อยทีนี้กบเนี่ยมันก็กระโดดเข้าไปในรู เพราะหรือว่าเรามีความรักจึงเป็นทุกข์นั้นเราเป็นผู้ได้คือ เราผู้ต้องการบุญ 7 วันเท่านั้นหมายความว่าบวชๆเนี่ย 7 วันต่อจาก 50 ปีเศษเสดเราไม่ ขณะอาศัยคําศัพท์ที่ตัวเองไม่เต็มใจบวชนี่มา เข้าไปหาดาบดที่เป็นเพื่อนคือใครมนทัพพยะมานพเอ่อมนทัพพยะผู้เป็นสหาย ทำไมหนอพระโพธิสัตว์เนี่ยนะไม่ยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์อนภิระโตเนี่ยนะอนอนภิระโตนั้นแปล ลีเกรนเนี่ยนะถามว่าก็เพราะเหตุ ช่วงนึงก็ศรัทธาแทบ เพราะครั้งแรกเห็นโทษในกามทั้งหลายด้วยอัตถิยาศัยในเนกขัมมะจึงบวชแปลว่าที่มาบวชนี่บวชด้วยอัตถิยาศัยอะไรเพราะไม่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 ก็แสดงว่าไอ้ที่ที่ไม่ยอมกลับไม่ยอมศึกก็เพราะอะไรเพราะกลัวเค้าๆเนี่ยนะ ปรารถนาอยากจะบวชอยากจะเจริญแต่ว่ามันมัน พระพุทธเจ้าก็สนับสนุนการบวชพระปัจเจกะพุทธเจ้าก็สนับสนุนการเหลืองร้อนระอุไปหมดไม่ แมร้องให้น้ำตานองหน้าด้วยความทุกข์ เมื่อมันไม่มีอะไรสักอย่างมันจะน้อยเนื้อต่ําใจน้อยอกน้อยใจมันทําไมเรามันอาภัพจริงเนาะคนอื่นเค้าอยู่สุขสบาย ๆส Lang чис ส Ang 可以อารีกไปบางรูปนี้ก็เป็น אח il yi Bett cre wir f得 em 20 p di จะ akor sie tank g sure ig su chung ca ś Zwig i ese tch nhau plus khoac, la c du en la hieri owin, m me tware g những I ddy on a vika segunda. Ppart espe'i yung dc knew i overseas, ma ti acudiane w k sham.す be a dress vớiIN a vial. id add 34 ว่าโพธิสัตว์นี่ ถึงขนาดอะไรถ้าเพราะอะไรเพราะว่าอโยนิโสมนสิการเพราะการ ก็กลับมาอีก ที่เขาไม่ศึกก็เพราะเขารังเกียจคําพูด ที่บอกว่าเพื่อนที่เชื่อว่ามนทพยะเนี่ยนะ ในอดีตกาลมีพระ 80 โกดในนิคมแห่งหนึ่ง บวชไปอันเป็นรากไม้และผลไม้ด้วยป่าอาศรม 50 ปีก็ 7-80 ปีแล้ว ทั้ง 2 ไม่สามารถจะข่มกามฉันทะได้แม้เพียงฌานก็ให้เกิดขึ้นไม่ได้ดาบททั้ง 2 ทั้ง 2 คือฤาษีเนี่ยก็ก็เข้าไปหามณฑพยะนั้นมณฑพยะนั้นด้วยปัจจัย 4 ดาบสก็อยู่ณที่ตรงนั้น 3 4 เขียวจารึกไปอาศัยอยู่ในป่าที่เต็ม ก็เลยเสร็จแล้วก็รีบเข้าป่าช้าทิ้งพวกเจ้าของ พวกมนุษย์เห็นหอทรัพย์ก็ ด้วยเหล้าไม้ตะเคียนเหล้าก็ไม่เข้าไปในร่างกายของดาบดแต่นั้นก็นําๆนี่แหละไม่มีอ่ะเอาเอา ไม้ตะเคียนก็ไม่เข้าไม้สะเดาก็ไม่เข้าเหล็กก็ไม่เข้าแต่ ก็ให้สมัยนี้ก็เอาแมลงปอนะเด็ดหางเป็นเฮลิคอปเตอร์เล่นอ่ะเล่นไม่ใช่น้อยนะที่ทําลักษณะนี้อ่ะ พวกท่านจงนําลาวไม้ทองลางมาเถิดราชบุรุษ ดาบฎก็บอกว่าเราไม่ได้ทําเพราะว่าถ้าหากว่ามีผู้มาเบียดเบียนแล้วมีจิตคิด มันทัพพยะปราบทก็ตรัสว่าเราไม่มีความปทุสสร้ายทางใจต่อราชบุรุษและ แล้วเอ่อเค้าจริงๆเนี่ยไม้ๆตามวัดต่างๆเนี่ยจะมีต้นแบบต้นไม้หลายๆสีอ่ะนะมี กัลเรีย์เสร็จไปที่นั้นก็ตรัสถามเล่าดาบส พระองค์สอบสวนหรือยังที่ได้ ถ้ายังอยู่ครองเรือนมีครอบมีครัวมีลูกมีหลานเป็นต้นน่ะก่อน ทำไมเพราะคนฉลาดนะถ้าโกรธแล้วทุกอย่างมันๆไปโกรธนะคนโง่ๆโกรธไม่เท่าแล้วก็แสดงทําให้พระราชาฟังดังกล่าวไป มันทัพพยฤาษีอัตมาภาพได้รับโทษเห็นปานี้บอกว่าข้าแต่มหาราชอาตมาภาพ ทำไงถ้าจะให้ชีวิตจริงก็ขอรับสั่งให้ทําเหลานี้เสมอกับผิวหนังแล้วเอาเลื่อยตัดเถิดเนี่ยนะ เส้นนั้นแต่ตายด้วยสิ้นอายุของมันอยู่ในร่างกายของแมลงวันนั่นเองแมลงวันมิได้ตายด้วยเหตุ ส่งให้ดาบดทั้ง 2 อยู่ในพระราชอุทยานนั่นเองแล้วก็บำรุงตั้งแต่ของมันทัพพยะเอ่อมันทัพพยะดาบด ที่มนทพยะผู้เป็นสหายของตนเมื่อครั้งเป็นคฤหัตดังที่พระองค์ตรัสเล่าว่าโตๆ กลายเป็นหมูตลอดจนถึงเป็นช้างเป็นวัวๆตัวกระจิ๊ดๆ หมู่สัตว์เนี่ยเวลาที่ได้รับความทุกข์เนี่ยอย่างในยุคเนี้ยประสบอุบัติเหตุ เราพยาบาลมันทัพพยดาบดนั้นให้หายโรคแล้วก็ได้อำลามาสู่บรรณศาลาอันเป็น ไคน้ําดื่มนั่งฟังเรื่องราวของอามิมันทพยดาบทนะฤาษี ณที่นั้นงูเห่าก็อาศัยอยู่ใน ข้าแต่ท่านผู้เจริญขอพระคุณท่านได้โปรดใช้ พรามผู้เป็นสหายของเราอันนี้นี่เล่าทวนถอยหลังนิดนึงว่าพรามผู้เป็นสหาย พอมือไปถูกหัวของมันมือไปถูกหัวหัวของมันงูก็โกรธอาศัยกําลังพิทเครื่องจนเหลือ ว่าเราต้องการบุญได้ประพฤติ 7 วันเท่านั้นต่อ 50 ปีเสดเราไม่ ตนบวชอยู่ได้ก็ยังเอามาตั้งสัจจะอธิษฐาน ตรงว่าพ่อจ๋าแม่จ๋าดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าพร้อมกับเมื่อเราทําสัจจะ 3 พวกอ่ะนะคือ อ่ะมาดูคําสัจจกิริยาของบิดาของเขาว่าไงครั้งและบางครั้งๆเข้ามันเบื่อใช่มั้ยบางครั้ง นะเบื่อบางทีก็โอ๊ยอะไรเจ้าเรื่องมากขนาดนั้นนะเบื่อเหมือน แล้วก็ไอ้คําของของพ่อนี่ไม่เท่าไหร่แต่คํา เราเนี่ยพอเห็นอสรพิษออกจากปล่องมากัดเจ้าเรา ขอบวกด้วยคําศัพท์นี้ทั้งหมดก็เลยนะเขา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 ในที่สุดก็แนะนําสั่งในเอ่อเค้าเรียกว่าเมื่อก่อนก็ทน ที่อุ้มโลกไปไปเฝ้าฤาษีเนี่ยก็คือ อันสัจจะบารมีที่นะ 11 นะส่วนสัจจะกิริยาอื่นก็คงวัน ประสบความสุขความเจริญโดยท่วนกันจะ